เข็มดวงหนึ่งก็เป็นห้องพระพุทธเจ้าดีก็ห้องพระพุทธเจ้าชั่วก็ห้องพระพุทธเจ้าวัดไม่วัดใจวัดเนี่ยในไตรโลกทานุเป็นห้องพระพุทธพระธรรมประสงค์มัดเพิ่นค่ายแล้วเพิน่นมาเป็นครูญาติน้ำเฮานับได้พ่อมาโลกลงมาเป็นห้องพระพุทธพระธรรมประสงค์มัดเพิ่นมาเอาสิว่ามันห้องเพิ่นให้ยัง้งขันอุปมาขึ้นนำร่าย ห้าม้วนทิมแล้วมดมาจ่ออยู่กันยังไงนำร้ายผู้นั้นผู้นี้เห็หเห็นเจ้าของเป็นมาเจ้าห้าเห็นแต่ว่าเจ้าของเขาบอว่าสี่เอาขึ้นไปใส่ปากเลยห้าไปทายมาเมื่อกี้คือกันเนี่ยแล้เห็นผู้นั้นผะู้นี้นะทายออกนี่ห น, นึงนี่มาเนี่มันก็จะปวดแยง่าเนี่ยเลยแม่งม่างวันบรรจออตอมอยู่แค่นอันมุ่เฮานี่กอุปมาคือแม่งวัน น, น, นนี่ยนะฮะคือนอนแหละจ่อโลกหยากกันอยู่เนี่ย ผู้มีกิเลสร้ายกันหยาดร้ายจกตากันอยนี่ิมูอห่อแม่นว่ะผู้คนพ้นจากกิเลสพระก็ไปเวรละพระทหรละหันหัวหอกหันเชนำไล่พันโยสันตัวมูห่อแม่นว่ะหยาดกันของกูของมึงดูดีเด้อคากันกระปรดแม่นบ่อันนี้มัก็นอนเลยปีนขึ้นปีนลงเนอะ เออแต่ว่าเจ้าของอุจจาระเพล่นได้ขึ้นจะเว่าจะเอาไปใส่ดาบอีกเลยเออแม่หมอนั่นแั้วมั น, นลุงปู่มาหาลุงปู่มาหาบัวว้าผมมี่ามแจงผมมางานคนตายผมก็บ่รหวังให้ยังนรกว่าั่านพันว่อาอกำลังแก้ปัญหาสุ้มผู้พันตายเพื่อก็ตายไปแล้วท่านเออ เมื่อแก้ปัญหาชุมยั่งนี่ที่พสันซุบจกตา ก, กันจินยุ่นนี่สันพนว่าป้าวเฮ้ยแท่งรู ป, ปมาบวบอ็เป็นจะฟังแต่ได้เราเนี่ยเขาบวกลึนผมไปมาง่างคดตายผมก็เพราวา่าสิมาหวังเอาองเนาะพระสันพันว่าอันคนเป็นยังมีช่วิณที่อันจกตา ก, กันจินยุ่นที่มันยากอยู่ยผู้พันตาย ก, ก็ตายไปแล้ ว, วันว่าโอ้โหเฮบนบอ น, บอนแท่งู ป, ปมาบวา ไอลยดีดมือฉีพร้อมนะความสุขในโลกคนเรเห็นไงผู้สางบา ร, รมีแก่กามาแล้วย่อมย่อมโลกผู้สางบา ร, รมีแก่กามาแล้วอยอมยอมโลกผู้บ้าแก่กาขย่อยมเลยอ่เอาบ้าเอาบ้ า, าเนเอาบานเอาบ้านอะไรอ่นแต่เงี้ยเว่าบุาวนวามึง่าบนนี้พได้เกงเลย พ่อยายเอพ่อยายอผู้นึ่ะถามหลานนอนผู้นั้นหนึ่งผู้นั้นหนึ่งผู้นั้นหนึ่งผู้นี้หนึ่งันบะเมยนผู้นั้กับบะเมีนบะแมีนสิมัไผสนอีพ่อยกับกูผู้นึงพอยสีผู้นึ่งนี่สันมูงเข้าเนี่ยก็ไม่แย่งกันที่ในโลกเนี่ยกูผู้หนึงพลอยสีผู้หนึ่งพระทหารเพิ่งมาแย่งเลยพันชนะความหลงเพิ่ไปแล้ว หาความหลงในโลกมันมอเห็นหาความสุขในโลกมันมอเห็นผานานสุขนของครหัตมีสุขอยู่สื้ออย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่ใจทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินสุขเกิดแต่ทํางานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอา น, นิ จ, จังเกิดขึ้นได้ความเปรอวนได้แตกสลายหาผูเห็นผานานหาคนสุขมอเห็นไ ป, ไปทางไหนก็ไปพอด้วยอา น, นิ จ, จัง หาในเจ้าของนี่ก็บ่เห็นอันนั่นกับผมอันนั้นกับขนอันนั้นก็เล็บอันนั้นก็ฟันอันนั้นก็หนังอันนั้นก็เนื้ออันนั้นก็บเอ็นอันนั้นก็กระดูกผมก้นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกูกเันหนังเนี้ยเ็นกระดูกแมหัวใจตาพางฝืดไตปอดใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารมาอาหารเก่าอันนี้เรียกว่าถาดดินหาความสุขในถาดดินพ่เห็นหาความสุกในถาดน้าน้ําดีน้ําเสดหนองเลือดเหงือมันข้นน้ําตา เปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ขอน้ำมูดก็บเเห็นท่านดินหาในกองดินก็นนบเเห็นหาในกองน้ำก็บเเห็นหาในกลองไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้ชุดโสมไฟที่ยังกายให้กระบวนกระวายไฟไฟที่เผาอาหารใ้ย่อยก็เรียกเขเห็นพระนั่งในอาหารควมสุขในถาดร่มพระเนี่ยร่มพัดขึ้นข้างบนลมหาล่มเลอลมอ้วกลมไอรมจาม ลมพัดลงเบงต่ําผายลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลมในท่องนอกไส้ลมในไส้ในลาไส้ลมพัดไปตามตัวเช่นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกน เ, น เ, นอเนี่ยบ่เหนาา็นเนีบ่เห็นความสุขแค่ไนฮะนี่สาตุดินน้าแฝงลมที่เรียกว่ากายเนี่ยประส่งกันเป็นกายเรียกว่ารูปบ่เห็นเห็นความสุขก่หาในเวทนาความสวยอารมณ์ ไม่สุกไม่ทุกข์ไม่โอเบขาบางาคณะจิตก็สุกขใจบางาคณะจิตก็ทุกข์ใจบางาคณะนีิตก็เลยว่างเสยหมุนเวียนเปลี่ยนไปมา ก, กันอยู่ก็เรียกว่าพ่ออพ่อสุกทุกข์โอเบขาเกิดดับเป็นเนี่ยหาในความสุขในสัง ญ, ญาความจำไปเห็นรูปจําว่ารูปอันนั้นอันนี้รูปปั้นสัญญาไปเห็นเสียงจำว่าเสียงอันนั้นอันนี้ สัทธะสัญญาจำกินอันนั้นอันนี้เรียกว่าขันธสัญญาจำรสอันนั้นอันนี้เปรี้ยวหวานค่มหวานอันหวานสมเปรี้ยวหวานสมก็เรียกว่าละสาสัญญาจำจำโหตพะกระทบกันเย็ยน อ, อน่ อ, อนห่ อ, อนเย็นเย็นห่ อ, อนอ่ อ, อนแข็งนี่เดียกว่าโหพภะสัญญาหรือหมพายดีกว่าดีหรือห้อนมากกด่อดี นีืถืต้องสู้นกายก็ดีหรืออันไหนมากระทบกระเทือนเป็นของแข็งก็ดีของอบอุ่นก็ดีเป็นของออนห่อนก็ดีหรือวิววับวับย่นสั่นก็ดีแคนี้นี่กโพธิภพกระทบกายนั่นวิววับวับย่นก็พระพ่อที่เป็นของสุขฮะถ้า ม, มาลบมากระทบใจแค่นี้นนกระทบนึกดีนึกชัวนึกถามมาา้ามาลบมายังรูปเสียงกินรสโพธิภพที่รวงไปแล้อะ รูปเสียงกินรถโผล่พะเทวท่านมาถึงรูปเสียงกินละลรถโผล่พะที่กำลังเป็นอยูย่ก็มีแต่แนวล่วงไปล่วงไปล่วงไปวัดแล้วได้มาเห็นความสุขจากแนวฮนะความสุขในความเกิดเกิดข้วาว ม, มาที่แรกเป็นกะลลละโออกจากคันก็เป็นอมภูธะออกจากคันก็เป็นปัญญาสาขาเหมือนจิงเลนอย่างนีอ เหมือนขี่โกอะอ๋ะ อ, อากาคารกันซันเขาสันเขาสัน เ, เขาก็เป็นหุบภูหุกค้นหอดสามเดือนชี้เดือนหเรียนว่าล้วกัดหาเรียนห้องเรียนมาเต็มเป็นคนเต็มภูมิเลยพันว่าเ ก, กนังเอามือคำข้างาะหลังสันใส่ซันล้างแม่อยู่นั่งยองๆเอามือคำข้างมาลี้หนีฝนฉันบอกนะ ประมาทแม่เมนอนไงกับหมูอยู่อนสิจะของหมูจะสลังเม่์แม่เมรนอนขวบจะของกับไงอย่างเงี้สิแต่เพื่อนว่าพวกแมยุ ก, กรรมพวกส่งขั้นพวกไม่รูกท้องแกแกนเพื่อนหามว่าหาย น, อนายาา้อนไงมากป่การเท่านอนไงสิ ลูกมันมูย้งี่มันขลาดคือไปทึ่งตายไปสันปน่นกันมามันข้ามคือไปทึ่งหนักหันย่ามันเป็นทุกอ๋อเข้าอยู่ในทรวงแม่สีทุกไปไหนเหรอมันบอกสั่นว่าคนซีจำพวกหายจะพวกผูฮันใจคนอยู่ในแถวทรว ง, งแม่ผู้ฮันใจคนดำน ห, กกนหน้ามันก็บู้ฮันใจเพรากัดไร คนเขานี่โหลดสมาร์ทแกับพหันใจคนเขาจะทุตชั่นกับพหันใจชั่นทั้งสี่เอีคนตายกับพหันใจเปว่าพระพุทธเจ้าบอกละเอียดเลยใครจะไปละเอียดแฟนเพื่อนห่าจำข้อม้นแ่ว่างเราเหมือนว่าแม่ของตัื่อ ด, ดังพี่แงบพี่ยแงบเน้นนกอกแสะผากแม่นว่าจำข้อพระพุทธเจ้าสอนมาว่ า, าอืม มาว่าเราว่าเป็นความห่วงตัวเออ น, นี่แฉฮวงหรนหมผาเหลีองพระุพธเจ้าหรือเพว่ามาควมเมาต๋วอ่าตั ว, ต ว, ตวเลียนมากูประโยคนั่นประโยคนี่เพราะว่าแท่เรี่มกลางพระเจ้าแม่นบอกอย่าพิใกล้ ก, กระปักเออให้ในเวลาเสีาายออกนันเวลาเสออกลูกกันร่มกับมัดสวาดมาผัดพริกหัวล้อง พีหัวเราทั้งผิดแขนก็รูบมากนะขมันออกท้าขาบ้าก็ข่าตัวที่มันที่ออกได้รอนักนักพันนี้ก็รห ล, ล, ลงสติวะสันรื้มรืมาศาสรืมพบวะสันปาดตกเหววะสันตกเหวข้งหนึ่งล้ลมผัดล้มผัดปีนหัวลงมากตกเหวข้งหนึ่งแลข้งที่สองอข้างน่งก็มาหมุ น, มนออกดากพ่อแม่นเนยันท่ดากสี ก, กันเน่ยออก่าัานว่า ผูดดากพอแม่ห้เขาอ่ะก็ูดดาาเข้ามานเครื่อกันพระอย่าเครื่องกันมันการลงมาโบกเดียวกันเอ๊ะมันนังเป็นสายอย่างคนอาสายคือเข้าใจบอกเออพระนเวลาขโมนออกก็กพอปานดึงสร้างออกจากตะแคบมันเสียอะไราตกปกกงลงพนแกปวดร้ายก็หายแทรแวร์เนี่ยเออพเกิดมายิมยักษ์คนแน่น นั่นผู้ยิ้มจะค้นนันจะหายอย่านี้อันร่างกายอ่อนๆของมันมันไปถือกับอันมือนั่นมืนั่นมอนั่นมันกับผ้าป่านเอาปาแยงไปขูดใส่สมพันวาถ้ามันเจ็บมันปวดกับอะไก็ได้หาย่าะมันเริ่มธรรมดามันยละครั้งมันเฉลี่ยว่าผ่านกรองทุกมันกำมือให้ให้เกิดมาอะไยิ้มมิจกค้นบ่สามพันวาชาตจีิทุกขาชาิจีพิทุขาซาดเป็นทุกตู้มเดียว ถึกมัดนิ่งปืนมาเดียวได้นกไตยโลกธาตุนึงนกอุปมาอย่งงางยาบ่าเพราะเหตุไดเพราะแต่พมุมธมรรคลงมาเจ้าชายลงมามีาสะตาดมัดเนี่ยตลอดทั้งมนุษย์โลกเทวโลกสัตว์โลกทั้งหลายไม่สะอาเป็นทุกข์มัดพันธะไวชาติพิทุกขาชาติเป็นทุ ก, ทกขาา์นกชนะพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ถึกมัดนี่กระไร ม่หน้าผู้ขาแก้ว่าเป็นทุกข์เราเขานพูดได้ว่าไปเฉียงเพื่อนเนี่ยมาแนะนำพีทุกขังบอกนะพญาธิพีทุกขาอีกะนะั่นความพยาบาทก็เป็นทุกข์ว่าเปทุกข์แรนเขาโลกพยาบาทเนี่ยเฉียงสันข้างหัวโอ้ยๆก็มีนั่นนั่นมาแนะนำพีทุกขังอันหนึ่งคนตายก็เป็นทุกข์คันว่าว่าเป็นทุกข์สิสัตงๆๆๆๆๆงงเฉียงสันมหอน่น เี่ยผู้จิตตายยังเงียบเลยผู้ตายเก่งมาใล้ก็ตายเนาะย่างไรก็อักข้อเนี่ก็ม่พอเหานี่ยตายมิดแค่ไหนพอเห่าแล้วมาอุ่นพอเด้วสันพอทีพอหน้าตายเงียบเม็ดพอเหาบตีงเลยแม่เหากันเท้ากันไม่เหาตายข้าพระหน้าพุทโธข้าเป็นพระยุ2486แม่เอ้ยพระหน้าพุทโธตายแล้วสัน จะตายได้ได้บานนี่บรถษัตรงนี้ยงหึงไปฟังองะารไกลยย้หะเหมือได้คำพุทธโธพุทโทพโทโเอาโบาออกเสียงัสซางดอกบราษัทนั่นเอาไว้ขานะพูดธยุคกับนีบนบนโธ่ยุคข้ามหนนี่จ้าทรงออกนอกได้ไหมพุทธได้เป็นว่าพูดพูได้เป็นผว่าโท่เอาไว้ข้ามนีเน่าวะน่ะมีหัวมีหวพุทธเาก็เอาไว้ข้ามหนีละประมาณจะหาหน้าที่ขอเมิดอ่อนซ่อนคนเฮาหนิสิเก่งวัานี้เก่งแหละปฏิตายมาสีก่กมีู่อดังเปียแงบจงสี่กมี่ ออืแล้วก็ห้าจี่ก็อักนี่ก็มีมแม่ห้าวเาะเป็นพ่อห้าวเพรเป็นพี่ชายห้าวเพ่าเป็ น, พ, ปนพี่ชายห้าวปาาาฏิตายนกนกเมือ่อเออเนยมาผูกอ้ายเด้อนะอ้ายนกเมื่อแล้วอะไรผู้พยญญาบาัตรพื้นเงินว่าเมื่อเอาสินให้อ้ายแล้วท่านอาพ m a ท่านผู้พี่ชายไงอันนี้ผู้ที่สองผู้ที่สา แม้นว่าเอาไอ้กับพระยักษคือดอก่าเอาเป็นพิธีเพราะเอาอะไรก็ตั้งใจดีมิดอดนอนนะะัวนตัวอะไรที่เป็นเรื่องไหนพระักก็แล้วยันมุ่งขาดกับพรยักษ์แหละยันมุ่งขาดกัเสียกรรมฐานเนี่พระพุทธเจ้าถามพระอนุนั้นอนั้นอนันลิขวันตายมือนี่จะเทือกมือละหน่อยเทือกขอน้อยโอ้ยมันยังเดียวไหลอยู่อนุนนุนเนี่ย ทุกรอบให้ไก่เขาออกแช่งดีเพื่นแช่งได้บุญร้ายอนะ่ะบัติใต้ฮะตายไปแล้วจ่ายย่อมพิบัติเอาไปตัวเคยได้เห็นคนเกิดจักรีบอเพื่อนเคยได้เห็นในพี่ชนาจังไรเดอเพื่อนเมื่อใดพี่ชนาจังไรอ้าวแล้วไปขอนี่เคยได้เห็นคนจ่ายคนแก่บอลเพื่อเคยเห็นตัวได้พี่ชนาจังไรเดะ บม่อใดพี่จะนหน้าอย่างไหเอ้ายังยังอีกถามอีกก้อนมเห็นนี่อยเห็นคอนเก็บบอคอยเห็นู่แต่พี่จะนหน้าอย่างไนแต่บ่าบอเคยได้เห็นค้อนตายบอเคยได้เห็นเด้๋วพี่จะหน้าอย่างไรแต่บ่าเดี๋วพี่จะหน้า ย, ยู่ดีคือโตคือที่ตายคือเพิ่นเนาะเพิ่นตายจะรถตาจคำสั่เจ้ า, าก็บ่าเรียกต๊ะมอระหกคำสั่ง ขอแรกขอนึ่งเจ้าเลือดลึกได้ก็บ่ได้ตกมวลหกเนื้ลือึกได้ทั้งชี้คอแห้งดีร้ายด้วยฮะไม่ได้ตกมวลหกเลยไ่้บหายตกมวลหกคลยคันถามทั้งชี้อเนี่ยว่าได้จับถิมทั้งมวลหกตามหลดว่าไงคนเป็นบุคลาจิฐานแม่เห้ากับตายเข้ากันในลูกผู้ที่หนึ่งตายผู้ที่หนึชื่อว่าทิดสิงชื่อว่าสิง ก็ได้บวชเป็นทิศน่ะผู้ลูกก๊กใครแม่ยัางก็จักรลอยปีคนเนระเขาเป็นลูกลาเพื่นเนี่ยลูกแปดคนเขาเป็นลูกลาชีปีจงห่วมกันนะ่ะผู้ลูกก๊กสิง่ายไปไหนไงว่างนะชีปีจงห่วมกันนะ่ะแปดชีไมันึกันสามสิบสองแหละวันท <laughs> ี่ปีจงห่วมกันนะ่ะเอาไปบวกกับอายุเขาเดียวนี้มึงรู้สินเอาเนี่ยผู้ลูกก๊กอายุได้สองปีมาตายแม่เขาตายยโดอดติบเกือบเครื่งชั่วโมงคนละ ห่วยไปเอามันมาให้ยังเอ้แพงนะันแม่เท่าซื้อแพงลูกมันหายเงินมันยังมาแม่แได้บัญชีนี่ไว้สั้นเอามันเคิดนไปไว้สั้นแล้วจูงแม่ขึ้นมาแม่ไข่ได้ขึ้่นมาพอมาหอดพาอกันใดแล้วหงมือไว้สั้นหงมือึ้นมาล่ะพี่นอกระหายพร้อมอยู่นั่นมันมีดีจ้างย้อมพิบาล พูดลคนว่าพระโลกจายมาือบานควงไปไปตกปลาอ้อยไปกินอ้อยอยู่เพราะว่าพูดลคนหมอบผมีแน่อ่ะขอนั่นข อ, ขอนึงเห็นคนเกิดกลว่าเกิดเป็นทุกข์เห็นคนแก่กล่ว่าแก่เป็นทุกข์เห็นคนเจ็บกล่ว่าเก็บเป็นทุกข์เห็นคนตายก็ว่าตายเป็นทุกข์ท่านั้นกระเพือ่อมหลัหกได้พระพุทธเจ้าสอนโยคีชิมหากัญาอันไหนอันพระพุทธเจ้าว่สอนธรรม่มมีจะอัานไหม น, นึ่ง อ, อันไหนสองอันไหนสามอันไหนพระพุทธเจ้าบอกสอนโบมีนั่นมนุษย์สมบัติก็สอนสวรรค์สมบัติก็สอนพุ่มสมบัติก็สอนนิพพานสมบัติก็สอนสอนมนุษย์สมบัติะสอนจะให้เรียนบกเรียนเบี้ยเรียนบัดเรียนเบอพูดให้เรียนบกเรียนเบี้ยเรียนมาเรียนเบอแล้วเรียนบ่สถอยแบล่อบมึงรู้เรียนให้ก็มัดให้เรียนหน้าก็ม่ดหน้าเนเออเห็นกลุักักคมเมนต์นุกบัว เป็นเจะหัวไปผูกขอเลขเป็นว่าอันนั้นแฮคการ์ไรเด้เรื่องในตัวดีมาก่เพราะว่าเถอกรมี่จะตัวดีๆตัวเด่นๆทั้งนั้นแหละมันขิ้หวาอยู่นัมนมึงก็ดีกะดีัขี้หายมันบ่กกินทํากูพ่เพราะว่าบอกเรยว่ากินบ่เรื่องท่องแหงกับจักรท่านพูดเรคนเป็นบ้าเลยให้มันบะถือไกลไปตัวมูไปทําเท้าตัวถือส่ไอซ์สันก็มี่เนี่บ้าไอซ์สนก็ะมีเลย ลูกหลานหลวงปูส่สังบ้านจิบหายวัดบักหนึ่งมีที่ดินหลายล้านอยู่เรียบร้อวมันยช้อาหารชาวหนอหม่ อ, ย, อมย่งเลย เ, เลนโบกกะเลนเลนเบีย้ยกะเลนคนตายงามไหนเม่นมันน่ะเป็นหัวหนาเขาเออพูดแล้วมือเศร้กาก็เลยจมาทั้งผัวทั้งเมียห่างเทียขากายกันเลน เล่นโบกเล่นเบี้ยเรียบคันเว้นบกเล่นเบี้ยเว้นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามต่อเถ่าขอสูงในผ้านและลึกได้ลึกได้ก็ดีเพราะถึงสิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามต่อเถ่าขอาสูงภายในผ่านและลึกได้รึกได้ก็ดีเมื่อเสียดายเนโบกเล่นเบี้ยเมื่อเสียดายล่วงละเมิดเี่นหาเมื่อเสียดายล่วงละเมิดอาบายยมุกทุกแบบกับทุกประเภทอาายยมุก ไ่ใชได้ยากจองเวทผู้ใดโกรธดุถ้าะจองเวทมึงกู่ไหมึงเลีม่มนันกูจะเอามึงเลี่มนี้กูว่ไหนมึงเลี่มนี่กูจะเอามึงเลี่ยมนั่นบอกี่ไม่ใช่ไดยข้าขายเครื่องปะหารข้าขายสัตเป็นร่เนื้อสัตว์ที่ตัวขาไปเป็นอาหารข้าขายนำา้ำเมาข้าขายยาพิษข้าขายมนุษย์อันหนึง่งพวกม น, นี้ไม่ใช่ไดร่วงละเมิดอันมวก น, นี้พวกนั้นพวกนั่นเป็นพระสัดาบัติเนี่ยเพื่อนว่างนพระพุทธเจ้า เป็นพระสวัสดิบาลนะพระกบาลไปฮะพระสักทาข้านี่อานาคามีอาหารนะคันว่าขันว่าจังสรรหนึ่งยังเป็นโรคกิจะอยู่โรคกิจกิจอยู่ที่พระอานาคตขึ้นความเชร้าก็ตามนังโมแมนนังโมแมนพระสวัสดิบาลพุทธเจ้าคนบอกไปวัดขันมะเฮาโมเฮาอย่างไรพระสวัสดิบาลเขาบอกว่าของคนชั่วบางไรมาจากคนดีสิว่าอย่างไรเนี่คนดีมันก็มาจากคนชั่วสิว่าไงพระพุทธเจ้าก็ไปจากพุทธส้นคนหนาห่อเนี่ย ห้าองคุณที่เป็นผู้ยไงมากไปนี่ก็บมาจากผู้น่อยนะเนี่ะจะว่าอย่างไรห้าองคุณสีเลือมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็บมาจากั้วมาเลือมใสหพระพุทธพระธรรมสงฆ์นะครับดอกบัวที่เรามันก็มีในขั้งพุทธการดอกบานบานเติมพู่มดอกตูมตูเติมพุ่มดอกเสมอหนามกับเสนาเสมอน้ําเติมพู่มเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ดอกบานเติมพุ่มอุปมาคือครูบาอาจารย์ผู้พนพนไปแล้วดอกตูมมันสชบานจังมื่ออื่น อุปมาคือพระอานาค้ามิมัณิบานดังมือต่อต่อไป อ, อีกกุปมาคือพระสกทาค้ามมัณิบานมือต่อต่อตอไป อ, อีกกุปมาคือพระโสดาบันอันยุเสมอหนามกุปมาผีก็ถือพุทธก็ถือถ้ำก็ถือ บุกกระเล่นวิ่กะเล่นอันนะั้นอายุเสมอหน้ามะนย่มอมพน้นคนอันนี้อัยายุไต่หน้ามันดอกบัวอายุไต่น้าอุประมาณคือหลายบางที่วันนะ่ะที่กับบางที่กับพน่นขึ้นบางที่เป็นภักษาแห่งป่าและตอถ้างเทีย่ยวก็สงสัยบ่ามีบาบมีบุญแดงถ้าเทีย่ยก็สงสัยว่ามีแน่พวกกันเห็นเพื่อนแท็ดกับเฮ็ดไปน้ำพ่นชื่อ เพื่อสถาบัานว่าได้หาเชื่อแทรกกับว่าเชื่ออันเอกคือไต่หน้ามั่นเฮ้าจะเป็นดอกไหนเฮ้าก็เลือกเอาคนตัวนี่กับภายห้องไายห้องมั่นเฮ้าก็เลือกเอาตัวนี่เฮ า, ามีสิทธิ์ได้เนี่ยเฮ้าที่ปฏิบัติเป็นดอกไหนมั่นเนี่ยอันไม่นี่เป็น้าทีพเฮ้าจะงุ๊กจักได้อ๋ออันไี้อันพระพุทธเจ้าว่สอนไม่พอผัวก็ไม่เาพระพุทธเจ้กาก็สอนหนึ่ง ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยม่ประพฤติร่วงใจสี่ได้มอบความเป็ น, หนใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวสําหรับผัวได้เนี่ยสําหรับเนี่ยหนึ่งจัดการงานดีสองสองเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสีรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาในไว้ก็ห้าขยันไม่เกียจคร้านใน ก, การทั้งปวงถวยกับมากพระเขาคำว่เพ่บเับเท่บันิของฮัดป ille, เป็นโแม่นว่าส่น นั่นผัวกับเมียมีคนละหาคอน่ยมันจิกทะเลาะกันมันจีมาได้ไงมันจีมาได้ไส่ั้งชุ่คนต้เข้ารบกันคนละหาคอแหละมันการทะเลาะกันมันกับผเมียผัวกับเมียนี่ผัวเรียนวเมียผัต้มไข่ขายมันก็แหงไปมันง่ายเลยเว้ยเมียนมาสั่นผัวคนฟินเก็บกินกอยาเนี่าเป็มาผัวกันซ่าขี่คั้นเมียนขี่เท้าผัวขี่เราเป็นขีขันเช็ดน้ำร่ายาสั่น มันทบไปทัว่วทีเสดเี่ยมันม า, มากมากไม่นอนบอกพัดเหล่าม่นอนได้เลยพะผัวล่มโมล่านีโมล่านโม ล, ล่านจะถือโบอล่านจะถิง่งนะแฟนว่ายอิทธิทูโตสุราทูโตนั่งเลงหญิงนั่งเลงสุรานั่งเลงเล่นการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรเดืยดข้านทาํางานสิ่งเหล่านี้เป็นทางชีดหายเป็นมนุษย์วิบัติทั้งนั้นพระพุทธเจ้านัน่น เรการพนันเมทอดหกหนึ่งเสียทรัพย์หนึ่งเมื่อชนะยอดก่อเวรไ ห, ม, หมูตไหมูตโตได้ชนะหลายๆยอดก่อเวรเนี่ยฮ ะ, ะสมมติถึงจักสองล้านน้งหลอนเขากับพิ่เพื่มูตโตหล่นเน่เราบางคนบอกออเป็นนี่บันหันบันนี้เพราะว่านี่ดีดเขารอบตัวหนีซ้ำเขาก็หายซ้ำเมื่อชนะก่อเวร เมื่อแพ่ย่อมเสียดาทรัพย์ที่เสียไปห้ามมันป่ถือกเกเสียหลสามทรัพย์ย่อมชิบหายผลยังว่าอีกด้วยนะใครว่าจะถือเคียนึงเหยียบยุดธะเอาไปชิบหายเราพระบุรุเก่าว่ารับร่องไว้ดีนั่นนั่นน่นสามทรัพย์ย่อมชิบหายสี่ไม่มีใครเชื่อถือถ้ายคำคนขี่บกขี่เวียจะไปถืหัวมันแข็งเผ่อห้าเป็นที่มิ่งประมาทของนักปราชญ์ หกนักปาดไม่ผสมจะแต่งงานด้วยแต่พวกขีบโบ๊ะขีเบี้ยต้องการเขาแต่งกันได้หระ <c oughs> พูกเขามีทรามีศีลว้ยมางกจะไปเอาบาการ์นั่นมัจฉิมมั่งมามากระเป๋าห่อเพราะว่าอ๋อด้วยได้สมือนเลยไม่เอาไปได้ลแล้วเขารลักพอรักแม่เนี่ยสมื่นเพราะคือที่กรเดเออดีพวดีเขาล่วงละเมิดกันแล้วเขาะจะมาให้พ่อแม่แต่งให้คนสมื่นเนี่ยมันเป็นต่เบือทะได้ไมอนบอก นั่นอันนี้อันพระพุทธเจ้าว่าสอนไม่พอพวกผู้แท่นพระปไปตั้งกฎหมายารัดไบรท์้ารักข้อไม่ ย, ยามห้าเขาปัญหาอุบายถามเขาพ่อลูกหลานไปยังจะตั้งกฎหมายารัดไบรท์ไอ้ั่นห้ามไอ้พระเป็นการบ้านการเมืองไอ้สั่นพระไม่สานบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเอาวะห้ามขนาดไหนเพียงไหนเอาวะไ้ ลอย่าไปถือลูกปู่นะอาว่าถือเป็นลูกลูกห ล, ลานกันลูงปู่เป็นคนร่าสมัยมาอยู่่าไม่รู้อีโน่อีอะไรหรอกเป็เหมือนลูกหลานาาแต่ว่าลูกปู่จะศึกษากับลูกหลานอาว่าหัวดีใจเอาจับอดหูมาสั้นเะกัน <c oughs> จับหูขมหัวเ่อเอันถือเป็นลูกเป็นหลานเ่าันเอว่าๆๆมันเขาใกล้ๆเะกันมันมันมันจังบ่เป็นหลังเนี่ย กันยุใครๆเนี่ยมันก็ได้มักกนกระโดดซกคได้เขาใกล้ๆกันได้แล้ว่าพี่รักดอกเอาได้หอลูกพูดสีวอกให้ฟัง่นาทีของคราวาสทับกัมภารหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาทั้งด้วยวิธีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาทั้งด้วยมโนกรรมคือคิด และอะไรประกอบไม่แม้ตาตีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ห้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานหน้าที่เขาปลูกเต่าทํากับพระเจ้าพระสงฆ์วะมีจังสั่นวะมีในพระไตรปิฎกวะนล้วขั้นตีโทเอกต้องเลี้ยนผ่านมัดมาหาไปแปประโยกเก่าประโยชเลี้ยนผ่านมัดไปสั่นข้านี่วนพระชวนเนี่ยหเทศกับฆราวาสหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสาม อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามซี 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสวัรค์ให้นั่นนั่นนั่นั่ น, น, น, น, น, น, นเอาได้หลวงปู่สีวอกให้ฟังนาทีของฆราวตสทับกับผระว่ะหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา สองด้วยวิธีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบไม่เมตตาสามด้วยมโนโกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบไม่เมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ห้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานหน้าที่ของพระลูกเต่าทำกับพระเจ้า พ, าาพาระสงฆ์วะมีจังสันวะมีในพระไตยปิฎกวะแล้วขั้ตีโทษเอกต้องเลี่อนผ่านมัดไปสัมมาหาไปแปลประโยคเก่าประโยคเลี้ยนผ่านมัดไปสัมาปปาาามาห้านี่ชวนพระชวนเน้นเหตุกับคราวาสหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่ว สงแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่งกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่นน่นนั่นคันว่าให้พระสอนพามว่าให้พระสอนโลกว่าให้พระสิ่ไปสอนผีตัวไหนเอาว้พระพุทธเจ้าปรารถนามากครับพุทธะจริยาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า่ะ สามบมลีมายาตตะจริยาสงเคราะห์ญาติาาตโลตตะจริยาเพื่อสงเคราะห์โลกไอ้ขันหววาสินั่นมูกตัวไปแล้งเก่งว่าเอาก้นไม้ไ้จักข่อได้ันไร้กเจาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจำชาติไทยมาแต่ดึกดำบันชมวาจักข่อได้พระึถือประถือกับพระคมเหงได้สมบุกเขียนไว้ได้จกักคาศอกนี่ก็ได้รอกจักสองแถว่าจะนัว กำลังหาเสียงยังได้หลวงปูขนาไปหาจที่แตกเสียงขตัวรอยสิอั น, นันเขาเป็นแมงูแมงพึ่งไปหาเสียงนแมงวัดมันก็บอกไปกินขีน ว, ว่านตัวร่างสิโอพ่พนันมลูกพูว่า ก, ก็พนละลูกไยว่าแาันมงแมกจะเอาวาอะอันท่านพระนม่มันเสียงมาว่านทว่าอันพระพุทธกของพระเจดีเต็มประเทศไทยอยนี่เพมันเสียงมาว่าอันพระพุทธเจ้ามาโพัดนี่ตัง้งล้านพระองค์ มาสอนกับเป็นค้ามสอนอันเดียวกันว่าเนี่ยลบล้างพเราบอกกันว่ากันว่มันอันเดียวกันมับง่ามันเสียงเหมือนน่นี่ครับพ่อแม่ห้ามผ้าถือมาแต่พัดได้ถอดได้ว่ามันเสียงเหมือนกันรัพระพุทธโลกของพระเกเรขุดได้อยู่บนวัดเก่าเราห่างฤกเม็ดนึงกับไม่ไะโ่าหมดเก่าเราห่างกับไม่เต็มอยู่ประเทศไทยเขาเ้าอย่างว่าอันนั้นบ่มันเสียงหรอจะไปหาใช้เอกวะาในข่า แลหัวยามย่ามด้วยสิกำลังเสียหายชะลักตำล่างพยายามยา่ามนะมูโตจะไปออกคะแนนเสียงให้เขาเดีเขาขาได้เสียเอาผู้ใดกับไม่ได้ถ้าสีเอาว่าสันเอาเสียทองไกรทองมันว่าสันหอกเนาะจะไปหาเสียงให้เขาเดี๋เขาจะขาได้ย่อ ห, าหาา้ามข้ามีเสิยทุกคนตัวห้ามไปห้ามเอาอันนั้นจะไปปรึกษากันต่ายใ้งว่าสันแล้วไอ้ไพ่สอบผู้ใดก็เอาอัรอสันเนะ ยังไปประกาศว่าฉั น, นว่าไม่แน่รอว่าฉันมบนประกาศเนี่ยเอาส่วนกันเลยมาถามหลวงปูก่ก็บอกมาถามหลวงปู่หลวงปูก่ก็ติดต่อว่าหฮ้ยผู้ได้ดีเอาผู้นั่นเลยฮะจะว่าพูดได้ดีบุกหลวงปู่กับบุญจัดเขาเขาบอกว่าเฉละแต่อยูดในวัดเนีหลวงปูกง่กับบุญจัดพูดได้ดีได้ชั่วว่าหลว ง, ลงปู่อยู่แต่หลวงปู่ได้สูงเลย ม, มีแขกมีคนมาก ต่างลาต่างแสนกับพระองคจัางห้องใจขาเจ้าพระสังฆ์พระดีไระชัวบุ๊ก็องได้อยูน่งมาจังตัวเาอกไปยังสังหละพระเนี่ยนี้มีก็บพชักพดีไรชัวแทบวุ๊ะวันนี้ออกจากขอเจ้าของข้อข่ามเรื่องพื้นผืนเรืองื้นปีดอย่น้อย่าเงี่อ้วพระทเจ้าสวัดิรกามามีตกความใิในทางกามของผู้ใดไม่มีทำสันสูงหันพญาบามบตก ความจ่งเสริมพยาบาทของท่านผู้ใดไม่มีมีหิงสามีตกความเบียดเบียนของท่านผู้ใดไม่มีผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เอ้าข้าราชกเข้ามีสิ้นหาบริบูรณ์มังรู้สั่งกฎหมายมีอะไกินที่แตกนี่นยังเมีนบอกทหารตำรวจก็มีอะไกินที่แตก อ, อี่ยังเหานะ ลบลาคาฟันเงนกับโมีแม่นบ่นั่ น, นอดกั บ, บวัสดงภาวะพระไม่มีเวรอยู่รอบข้างแม่นบ่ผัวไปเมียไปไปรับการกันได้อันนี้หลุดมือได้บ่ได้แม่นบ่เออนั่นโรคเอชวัตเทสัยสนอนั่นอ่าขันนี้ชิ้นหาบริบูรณ์มั้งดูในโลกเขาเนี่ยก้อนไม้ก็บมต้องตั้งหลายเลยตั้งแท้พาสิอากร ก๊งงบประมาณก็พอแล้วถูกวะถ้านนนนนนทำไมเราจึงอาบน้ำเพราะร่ากายมันสกปรกทำไมเราจึงปฏิบัติถินธรรมเพราะจิตใจมันมีกิเลสจริงๆแม่นบน่ น, น, น, น, น, นหน่งถ้ากิลาเลสป่ลดตำแนงตั้งแต่กฎหมายขึ่นจ้างมันกับว่ยอยพอหห่ออิแม่เอ๋ยเออ เอ็ดข้พิดในที่แก่งว่าไห้มันก็ไปเท็ดในที่รับขึ้นกันสมมติน้ามันกัเห็ดในที่แก่งด้วยนั่นนั่นถือว่าจยางไรเหตุไรสั่นจึงมีพระพุทธเจ้าขวงไว้ขววงไว้จั่อประทางประทางนี้พระพุทธเจ้าขวงไว้ขววงไว้ขววงคว้มสัวบ่เป็นขวงคว้มเจริญกันนู้มีพระพุทธเจ้าขวงวมสัวไว้คาสอนพระพุทธเจ้าขววงขว้มสัวไว้มู่เฮาเหนียวเห็นกันขอกกฎหมาเห็นกันอะไรอะ เออตอนไรกแขวงง่าวกับเ็งเอ็งเอ็งเ ง, เงเออนะกัดแบบว่าว่างออนะ น, น, น, นี่คุณนุงคุณป้าคุณหนูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสวัสดีดอกหรือคุณหนูคนุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณ น, น้องพราะเหตุไดอายุวโนสุขังพลัง อ, อ่สวัสดีหรืออกเพอเหตุมีอายุวโนสุขังพลังของพระขงวงเลย คำนี้นมีอายุวันโน่ซุขังพลังของพระพุทธศ า, าสนาขวงอยู่นี่แล้วมิจะเสียงร้องไห้เอง่ะเสียงร้องไห้ร้องโฮมเสียงปล่อยเว้นเช่นแชงฮากินตับกินปอดกินไตกินพุ่งละฮาอ๋อฮ่าออมห่ายย่งสารพัดกินของโลกเป็นยังไงสัน่น ก, กินเหม็นเท่าดีๆ้วมันฝังว่าท่านพี่น้องเอ๋ ย, อย น, น้ํานนี้น้ำกับน้าล่างเนื้อเลือดน้ำนอน น, น้ำเน่าน้ำเหม็นน <aime. S 1> ี่หละอันน้ำน่อยหอมคาะหอยน้องเคมือบางกะไรเพราะมันฝังกันว่าท่านเผากันว่าท่านถิอว่าจังไรหนักหนักหนักถือว่าจังไรอืมนี่มีพระพุทธศาสน <Okay. S 2> i mean าอยู่ในโลกพระจยิ้มแย้มแจ่มใสชุกตํำลานบานใจแ้่กันแค่พระกับเฮ็ดพิษคือกันแล้วะก็มีส่วนหน่อยได้กันเฮ็ดพิษมดพยายาสืบศาสนาไว้ได้มีขนคือกันฆราวาสคือกันกันเฮ็ดพิษมดผู้ใดถืมีคนดีสันมันก็มีคนดีสืบด้วยกัน มีเพียงเขางัวเขาค้อยมันก็นยังดีอยู่นั่นเพราะมันมีพระพุทธศาสนาแสบแส้อยู่ในโลกนี่พระพุทธเจ้าจะมีเสด็จใล้านพระองค์ก็มาสั่งสอนอันเดียวกันทําเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความน่าอายตบบาปความกลัวตบบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายตบบาปไม่มีความกลัวตบบาปแล้วก้นไม้ก้นหมวกก้ทักก้อนพวกก็ตั้งมาอยู่อู่ของธรรมไม่นําคําหนึ่งก็งหมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับ เขมทิจะมีขีดล่างๆก็ชีไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชันใดคำสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสตร์นะโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกเรจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เรไมารู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเรมาเชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้พระพุทธเจ้านั่นหือว่าอย่างไรสัมค้อมูลผู้ใดกระหักคือกันห้ากระหักคือกันผู้อื่นกรหักคือกันเอ้ามูต่างหไงล่นคว่านี่บารู้ท่านนี่ฮิวเออลานรู้ไหนี่นี่อนเด็วแตของนี้นก่หักศีรษะ แมอเนีเองข้อพวกรเขามาหนีมึงรู้เลยยาแตกพื้นด้วยเราเกียกกันว่าเรื่องมือหมื่นเนี่ยนั่นแหละเพราะว่ารักชีวิตเรายังไงก็ต้องรักชีวิตท่านผู้อื่นอย่างนั้นเหตุท่านนั้นปรานาทิบาจึงมีอยู่ข้อต้นรักสิ่งของของเรายังไงก็ต้องรักสิ่งของท่านผู้อื่นอย่างนั้นก็อาชีนาทรรมรักลูกรักเมีย รักบุตรักหลานรักเลียงเรายังไรก็ต้องรักของผู้อื่นอย่างนั้นเี๋ยวมันเป็นพยานเนี่เอาให้เป็นพยานนะพูดปลดมันว่ามีประโยชน์ทั้งผู une, <ảo> ้พ <ination> ูดว่มีประโยชน์ทั้งผู้ฟังเสียประโยชน์ทั้งสองท่านเห็นกับว่าเห็นบ่เห็นกับว่าโบเห็นกับว่เสียประโยชน์ทั้งสองทางลูกกับว่าลูกว่รูกกับว่าว่าลูกโบเสียประโยชน์ทั้งสองทางเอัเนี่ยดืไปชุ่มละอัเนี่ยอ้าวเขาไปเห็นดอกเข้าไปเห็นจะเข้าเป็นฆรวาสว่านคนตีเข่า กินเราหม้อมาแล้วบักหนึ่งไปจำก้นถวย เ, เขาเขางมุมก้นถวยให้จำํำบักนึงเถียงกันมึงมึงแค่พูดวะสัน <c oughs> ให้กูไปพูดวะสันหม้มาแล้วบอให้กูไปพูดก้อนท่านบอว่าเถียงกันอยูน่นและเถียงกันไปเถียงกันมากก็ได้แห้งคืนแห้งคืนได้จะขากันเนี่ยเข้าไปเข้าไปกินอยู่เราตะกี้ กินเหล้าเมามากแล้วล่ะไปถีบฝ้าเหอนเขาลงเขาพ้าน้าแอมฝ้าเหอนเขาเขาเฮ็ดไม่นาบไว้เขาจิขาที่ฮะเนี่ยอจับแม่มันทิมลงนี้กะหาว่ามันโตลงเหีนยนสักสิบปีหนังหน่าวฉันพี่ชายมาให้ให้ฮคนี่แต่นั้นว่าบอกินจักสิอะไรเศร้เาเขาเนี่ย เ, เศร้าเขาเศ้เ า, ศาศกินเหล้าแต่อายุสามสิบ เข้ามาบวชข้านี่อายุสามสิบได้เมียตายแล้วเข้ามาบวชสองสองพันสี่รอยแปดที่ผมเข้ามาบวชข้าเนี่ยเข้ า, าบวชข้าวก่อนสี่พันสาบว่เป็นพร้บาวเราออกมาออกมาเป็นขอบคุ้งเมียตายแล้วห้อยแล้วมาบวชอีกแล้วเอาลูกไว้ให้คุณป้าคุณป้าเป็นแม่มันเนี่ยเป็นหน้าที่ที่หาลูกมาเลี้ยงลูกม่ป่ามันก็ได้โชคดี กูโม so <laughing balls> <ENNIS dies out> ่ตื้มมือตื้มเกลียวอีกแบบปืนที่แตกแล้วท่นโตเราก็เลยมาบวชเมี่ยมันก็เอาก้อนตายมาน้าา่นลูกมันก็เอาก้อนตายมาน้าไงตัวนึงเอาก้อนตายมาน้ามาท่นเป็ดตัวหนึ่งเอาก้อนตายมาน้านี่มันโชคดีนี่ท่านัำไมกูตายก้อนนะเขาเอาผัวไม่ปะเป้ามาท่นเอาเลยมาบวชเอาเมื่อไดย้นเข้ารอกัำไมกูตายก้อนนะเขาเอาผัวไม่ะเป้ามา่น นี่ว่านี่ยว่าได้หยอดอย่างนั้นเขาเนี่ยว่าตามไปจริงลงกไปบังไหน้าน้าตาไรซ่าโอ้ยว่าเนี่กูนี่น้ำกลนคัวอยอะนี่จักหอบจักเราเนี่ยท่านกูเอาอีกแล้วว่าท่ากกทมตัวนี้กูได้เค่อยเอาหาดเฟื่องขึ้นมากไหวนี่ว่าท่นก๊กมบันบานเนี่่านบานนี่กูบ้ามางเมือเปล่าท่านทังๆมี่กูจะไปบันเนี่ย่านเกิดชลสังเวชพี่กหน่าจะควนตายได้มาบวชอืม แม่ป้าดีใจเนี่เมื่อไหร่กของร้านก็วนี้นํางแม่ป้าเนี่ยเขาปั่นกันแล้วเมืกก่อไหล็อกอ่ะเมื่อไหร่กของร้านของแม่เขาไนะงเนื่อไหร่แม่ป้าตัวไปแอบกินน้าเมี่ยอเขาว่าไปแอบกินน้าเมียงเขาคอมเฮีงามงาทัา้งเขาเฮียงตายเลยผู้ใดคอมเฮียงเขาได้เขาล็อกกาได้ผูล้ละมือแล้วคนละสามสิบเพราะในมือแล้วแปดเิบก่าเนืเน้อเขาคน ช่วเขาไปส่งเขาเข้าคาดหน้าไว้แล้วสองงานสามงานคนไปไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ป, ไ, ปไปขี้ค้าไปไปไปไปขี่คานเขากระสั่งหวัวเนี้ยนี่เขาว่าอะไไปเฮ็ดม่านดวกเขารบจมจากแน่อเขาว่าได้สั่งเขาเลยคนมาไปยุ่นน้ำไปกินม่านระดวกเมียเขาคบเหงิก็คบเหงิแล้วตกขี่คาน คณะรั้วยุบวันไหนกันบแม่ตัแลนกอนโบกยุบวันไหนกับแม่ตัแลนกอนเพากระซั่งหัวนี่ยเขาไม่ได้เรียนโบกเเขาก็บม่ได้ซั่งเขาเลยเอ้มาของสันวา่ามาละเอียดไม่ไปก็เนี่ยเอกนี่เห็นอเนจังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบนึ่งโลกทาไมต้วยอเนจังในในในกรกล้วนอเนจังในในในกรกล้วนทุกขงัง ได้ในโลกวัฏานาตยาสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนโมพระสวดาวันแปลว่านอบนอบนโมพระสวดาวันนอบนอบนอบนอมบ๊ดถือรัทถิศาสนาอื่นนอบนอบว่าเสียดาอยากรวงระเมิดเฉียนหว่าเชิดดาอยากรวงระเมิดอบายยมุนี่นโมพระสวดาวันนโมพระอนาคามีสักกะทาคามีกับละเอียดไปกว่านั้นนโมพระอนาคามี บ่มีราคะบ่มีโทษซะนอบนอมจนบ่มีราคะโทษซะนโมพระรหันต์เลียงจบเลยบ่มีโรคบ่มีโกรธบ่มีหลงว่าได้กว่าเกิดแก่เก็บตายเเรียกว่านอบนอมเลี้ยนนโมจบพระพระอรหันต์นโมเฮ้าแบบนโมโมเฮ้านโมตาบอดเออนโมเล็กนโมผานโมวัดนโมเบอรม่รู้หล่ผู้โคนนอนไปจยากฝันหาเห็นแต่เลขเอออี่ ฝันเห็นพระอรหันต์ผุดไหทังฝันว่าเดี๋ยวพระวานาผุดทุกนะว่าตาทุกสารผุดยังสี่ดีฟังความพระเสียสะเสียสะใยฟังความฝันเสียพันเสียมื่นฟังความอันอื่นกับขีปายคือกันคนเห่าเป็นผู้ใจถึงวัตถุคนจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเถินจงเป็นผู้ใจถึงในทางที่มีประโยชน์ จะเป็นผู้ใจถึงในทางที่ไม่มีประโยชน์พระอรหันต์เป็นผู้ใจถึงในทางไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงพระสวัดาบัลเป็นผู้ใจถึงในทางที่ไม่เล่นเลขพระจักรทาคามีเป็นผู้ใจถึงละเอียดกว่านั่นไปอีกพระอนาคามีเป็นผู้ใจถึงในทางไม่โรคไม่โกรธส่วนพระอรหันต์ใจใจถึงในทางที่ไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเลยใจถึงในทางออกจากโลกพระอรหันต์นัด เม่งว่านกันใจถึงทั้งกินมูดคูดเม่ยงพูงเม่งเพิงใจถึงทั้งกินเกสรดอกไม้มันก็นว่าประชาทธิปไตมันคือกันเตว่าทังไหนันประซาธปไตมูฮาประาที่ปะเงินแม่นมหมผู้ใดมีเงินหลายกด็ด้เปลี่ยนท่านหรือแม่นหมอขังพระเจ้าวิธีทางอภิกรไม่อยู่อธิกรบางชทิ ไม่นครับด้วยเยพฤยักจิกาตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเยพฤยักจิกาอธิกรบางชนิดได้เนี่ยคนมากเหล่านั้นจะเรียนโจพระไตรปิฎกก็ตามความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงเข้าว่าแต่ว่าแล้วเธอไม่ออกห้ค่าค่าออดตังค์ให้ใช่ไหมนั่น แต่ว่าเป็ียนแต่ผู้เปลนผู้ว่เป็ี่ยนเว้นกับผเปลีป่ยนดอกวันที่ตรว ด, วดถึงเมดดอกเมื่อยนะบอก mm. บท่านน้อยขอให้กายท่านหลายขอให้เว้นยันมาเกิดแก่เก็บต่ายได้ว่าตาสงสารเอกเลยเนี่ซาหรูไม่ได้บาทเนี่ยกระดูกเข้าเก็บไว้ซัวกลับหนึ่งกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเีพระองค์บ้าหาพระองค์บ้ากลับนี่ไม่หาพระองค์เก็บกระดูกไว้ซาดและทองหัวแม่มือเนี่ย วุ้หายมันอันตรธานหายไปชั่วกับหนึ่งไงก็ผู้เขาหิมาไรน้ำตาหน้าหน้ า, นานที่ได้ออกเก็บไบยศหนึงน่งศาตร์ลายยศชั่วชั่วกับหนึง่งโซธู้เจ้าหาพระองค์หน่งก็มหาสมุทรทะเลซีมหาสมุทรข้นขค้นข้ น, นผืนหนึ่งคันเมื่อเป็นเช่นนั้นมุ่นีมุ่นีก็เป็นของไม้ของเกาเห้าที่มาเคยมาแกมาแกมาตายแลย้วพนี้ละ อ, อุบาสกอุาสิกาพิพิธังลาย ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าเป็นของใหม่โรคอันนี้เป็นของเก่าของพวกเราทั้งหลายนั่นเองเคยได้มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารทิ้งน้ําตาทิ้งกระดูกไว้ในนี้ทําคําสอนจะเป็นกินตะวีแต่งเรื่องจริงให้เขื่องเพื่อให้แพร่ระในเชิงกาบจะเพียงใดก็ตามถ้าไม่สลดสังเวชในวัดตาสงสารก็สู้พาสายชีิตเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกหลายบอลเถอะได้พระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าเป็นเงื่อนใหม่เป็นเงื่อนเก่าของพวกเราทั้งหลายนั่นเอง ที่เคยมาท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารอยู่นี่ท่านจงมองไปดูในโลกทั้งปวงดูดูคนนั่นไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องคนนี้ไม่เคยเป็นญาติเป็นเมตรเป็นสหายเป็นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งส่วนผู้ที่เห็นกันคราวเดียวก็ไม่ถูกกับจะดิตเลยอันนั่นเคยได้ผิดกันมาแต่หลายชาติแล้วทวนมาอีกสั่งพระพุทธเจ้าไม่ใไปเก้งวันพระพุทธเจ้าเออ ไม่พวกเก่งกันพวกติเจ้าดอกอุย้ยเมืเอ่อไรเพื่อน่าหายว่ า, ห, วาหลายเพื่อนาหอาเอวววครับอันนี้กัพอเพื่อนยาน่านเราแห้งนี่นอเอาแล้วนอสามนันนอกุ้มข้าปีนขึ้นมาปะหรือทำดีก็ไปต่ออายุ ข, ของดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปต่ออายุความชั่วยอยู่ที่ใจเอทําทั้งหลายยนตลงเป็นหนึ่งแล้วทีนี้ศีลห้าถ้าไม่ล่วงแล้วเออก็เป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ใจ ก็ยอนลังมาหาใจหันตัวฮะคำว่า ร, ร่วงคำรู้จักพระไตรปกแตกร่วมเนี่ยในรัุบัตรนวลรัชบัตพระสัสดาบานปจัจบัตสักขท่าค้ามีปจัจบัตรพระอานาคามีพัุบัตรพระอรหันต์ที่เอามาเทียบกันมันก็ับมได้ผูะรูปพระส ว, วัสดับาลพระรูปสักท่าข้ามีพู้ะรู้พระอานาคามีพูะรูปพระอรหันต์เอามาเทียบกันมาได้ ทาไฟเกิดไฟรับก็เกิดกระรับบ่มียกังเว้นขึ้นคือไฟสังขารในควอมทุกข์ทำไฟมาเกิดมารับก็บมเกิดมารับย่อมมีกังเว้นขึ้นคือพรนธะผ่าพจน์ที่เห็นบ่เห็นพระธรรมทางไรกับบ่บ่บเอาเรื่องนั่ถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้พระพุทธเจ้าถ้าธรรมมีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เราจึงรู้จัดจําแนกทำพระพุทธเจ้าบอแต่บ่นว่มุมยบนแท่งขันพระธรรมไม่มีอยู่ป่อนเพิ่นจะหุ่จักไหนบ่ คันดินก็มีอยู่ก่อนเท่ากับบรญยัติดินว่าไร้ดินน้ําไฟล่มดินมีอยู่ก่อนเราจึงบัญญัติได้ถ้าดินไม่มีอยู่ก่อนเราก็บัญญัติไม่ได้นั่นไม่ใช่ว่าเรานึกถึงดินดินจึงจะมีนึกถึงน้ําน้ํำจึงจะมีนึกถึงไฟไฟจึงจะมีนึกถึงลมลมจึงจะมีมันมีก่อนแล้วะเอสัทโมธนันตนาพระธรรมเป็นของเก่ามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจีราธพระองค์ ก็มาสั่งสอนอันเดียวกันไม่ได้ลบลร้างพรบกันเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติตรงกันเพงเลยมูฮอ่อกลั่งกฎหมายไปฆ่าที่ประทัยต่ปาหพออกสี่ตะ น, นาวว่าทาได้ถำไปนี่กู ด, ดึงไปมึงดึงมากอพปอยเม่กูเอ๋ยพระพุทธเจ้ามาตั้งอันเดียวกันเลยปกครองโลกทำให้โล ก, กระบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความลนะอายตบบาปความกตวตบบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้กดหามายคนหมูก่กดพระกบพวกของชาวโลกตั้งขึ้นมามองดูคําสอนพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดและกิเลสแม่ลดตำแหน่งมันก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันมันก็ไปไม่รอดอีกหมวกกัง <laughs> แหมบ่ <laughs> หมวกกังวันภาษาจีนใช่ไหม <laughs> ปริญญาในทางพุทธศาสนามีอยู่ยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีระนาปัญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณามหานาปริญญากําหนดรู้ด้วยการหนเสียคือละกิเลสโลกโกดหลงโลกโกดหลงมาลดจำเนงจะตั้งกดอะไรขึ้นมันก็ไม่อยู่อีพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยนั่นนั่นนั่นนนนนนั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นเออพวกคุณมาจากไหนพ ว, พวกเนี่ยจากกรุงเทพเ อ, อ่า เป็นผู้แทนใช่ไหมเราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้เราคนเดียวเป็นภาคไม่ได้เป็นพระนครหลวงไม่ได้เป็นจังหวัดอำเภอหมูออ่บ้านตำบลครอบครัวไม่ได้คนเราย่อมอาศัยกันและกันข้าวที่เรากินชาวนาเป็นผู้ผูกโรงสีเป็นผู้สีพ่อข้าเป็นผู้ข้าขายคนเราจำต้องได้อาศัยกันและกันดังนี้ มอบให้มดลอกนะให้แต่ลูกปู่อยู่คนเดียวลูกปู่ก็ไม่เอาเพราะมันไม่สนุกค่าขายเครื่องอะหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นราเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมันค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ใครเอาไปก็ไม่เจริญพระเรียกว่ามิจฉาวินิจฉาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างถ้าพวกลูกหลานเน่ยค่าได้ขายก็พากันหยุดชะเนกอือ หนึ่งค่าขายเครื่องประหารปรัวฮัตประหารสองข่าขายมนุษย์สามค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพเป็นอาหารสี่ค่าขายนำ้ำเมาห้าค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นมิตราามิญช า, ชาอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรประกอบ สมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอยู่ห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าสามไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำลังเชื่อมงคลสี่ม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาหาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาะอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่ประการและเว้นจากวิบัติท่ประการซึ่งตรงกันข้ามน่ะพระบรมศ า, าดสดาสอนไว้หมดนั่นใครเป็นเจ้าโลกอเมริกาก็ไม่ได้เป็น รัสเสียก็ไม่ได้เป็นจีนก็ไม่ได้เป็นไทยก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นมีแต่ทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลกใช่ไหมหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบไม่เห็นเหตุ น, นั้นพระหันจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามโลกก็ข้ามความหลงจะไปข้ามโลกด้วยเครื่องบินเดี๋ยวก็ตกน้ำทะเลตาย แล้วก็ชนภูเขาตายเลยข้ามโลกด้วยพระสติพระปัญญาเมื่อพระสติพระปัญญาเหนือความหลงไปแล้วก็ข้ามความหลงเท่านั้นพระสติพระปัญญาไม่ข้ามความหลงของตนเองจะชื่อว่าข้ามโลคได้ยังไงทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาหูจมูกเลีลล้ยงกายไงพระชอบเรงแรงดูโลก ชอบฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องพุถะละร่างกายรู้ธรรมารมด้วยใจพระหันเมตาเป็นต่ศักวาตามีหูเป็นต่ศักวาหูมีจมูกเป็นแต่ศักวาจมูกมีลิ้นเป็นแต่ศักวาลิ้นมีกายเป็นต่ศักวากายมีใจเป็นแต่ศักวาใจไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยนั่นท่านพูนไปแล้วจอมพลของกิเลสคืออะไรคือความหลงความหลงก็ว่าอาวิชชาก็เรียก อัตวาทุปาทานก็เรียกอัตวา ท, าทาุปาทานความเห็นว่าตนว่าตัวอุปทานสีกาโุปาทานถือมันในกามทิทุปาทานถือมันในทิฏฐิสีระพตุปาทานถือมันในถิญพรตอัตวาทุปาทานถือมันวาทะวาตนถ้าชนะอัตวาทุปาทานแล้วอุปทานออื่นก็ชนะทั้งหมดเลยข้ามทะเลหลงไปแล้วข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามความขี้เกียจด้วยความขยัน ข้ามความมืดด้วยความสว่างพุทธทสมสงทรงอยู่ที่ไกจพุทธทสมสงทรงอยู่ที่ไใจไม่ได้ทรงอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเลยพ่ะพุทธธมุทโธโกอ า, อาวายมุกเป็นไฟเผาโลกไฟไหมบ้านในเ้ื่นมันยั่งไฟไหม้อาบายมุกที่ดินมันไหม้บดเจ๊ดอดรอดไปพระพุทธธมุทโธโกจุกไปจุก